เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระสารีบุตรจึงเดีย ก, กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านทั้งหลายโู้ชงเจ็ดประการนี้โพ้ชงเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโู้ชงและถึงเจ็ดอุเบกขาสัมโู้ชงผู้ชงเจ็ดประการนี้แหล ผมนั้นประสงค์จะอยู่ในเวลาเช้าด้วยพอชงใดๆบรรดาพ่อชงเจ็ดประการนี้ผมก็อยู่ในเวลาเช้าด้วยพอชงนั้นๆประสงค์จะอยู่ในเวลาเที่ยงในเวลาเย็นด้วยพ่อชงใดๆผมก็อยู่ในเวลาเย็นด้วยพอชงนั้นๆถ้าสติสัมพ่ชงของผมมีอยู่ดังนี้สติสัพมพ่ชงของผมก็ชื่อว่าหาประมาณไม่ได้ชื่อว่าผมปรารบเสมอดีแล้ว เมื่อผมกำลังเที่ยวไปย่อมรู้ชัดสติสัมโพชงที่ดารงอยู่ว่าดำรงอยู่ถ้าแม้สติสัมโพชงของผมเคลื่อนไปก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชงของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้ท่านทั้งหลายถ้าอุเบกขาสัมโพชงของผมมีอยู่ดังนี้อุเบกขาสัมโพชงของผมก็ชื่อว่าหาประมาณมิได้ชื่อว่าผมปรารบเสมอดีแล้วเมื่อผมกาลังเที่ยวไป ย่อมรู้ชัดอุเบขาสัมโพชงที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ถ้าแม้อุเบขาสัมโพชงของผมเคลื่อนไปก็รู้ชัดว่าอุเบขาสัมโพชงของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้ท่านทั้งหลายเปรียบเหมือนตู้เก็บผ้าของพระราชาหรือของมหาอมาตย์ของพระราชาเต็มด้วยผ้าสีต่างๆพระราชาหรือมหาอมาตย์นั้นประสงค์จะใช้ผ้าคู่ใดในเวลาเช้า ก็ใช้ผ้าคู่นั้นนั่นแหละในเวลาเช้าประสงค์จะใช้ผ้าคู่ใดในเวลาเที่ยงในเวลาเย็นก็ใช้ผ้าคู่นั้นนั่นแหละในเวลาเย็นฉันใดผมก็ฉันนั้นเหมือนกันพระสงค์จะอยู่ในเวลาเช้าด้วยโภชงใดๆบรรดาโภชงเจตประการนี้ก็อยู่ในเวลาเช้าด้วยโภชงนั้นๆัประสงค์네จะอยู่ในเวลาเที่ยงในเวลาเย็นด้วยโภชงใดๆก็อยู่ด้วยโภชงนั้นๆ ถ้าสติสัมโพชงของผมมีอยู่ดังนี้สติสัมโพชงของผมก็ชื่อว่าหาประมาณไม่ได้ชื่อว่าผมปรารบเสมอดีแล้วเมื่อผมกำลังเที่ยวไปย่อมรู้ชาสติสัมโพชงที่ดำรงอยู่ว่าดารงอยู่ถ้าแม้สติสัมโพชงของผมเคลื่อนไปก็รู้ว่าสติสัมโพชงของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้ถ้าอุเบกขาสัมโพชงของผมมีอยู่ดังนี้ อุเบกขาสัมพ่อชงของผมก็ชื่อว่าหาประมาณมิได้ชื่อว่าผมปรารบเสมอดีแล้วเมื่อผมกำลังเที่ยวไปย่อมรู้ชัดอุเบกขาสัมโพ่อชงที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ถ้าอุเบกขาสัมพ่อชงของผมเคลื่อนไปก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมพ่อชงของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้สุตตันตนิเทศแสดงพระสูตร พูดชงในข้อว่าถ้าสติสัมโพชงของผมมีอยู่ดังนี้มีอยู่อย่างไรคือนิโรธปรากฏเพียงใดผูดชงในข้อว่าถ้าสติสัมโพชงของผมมีอยู่ดังนี้ก็มีเพียงนั้นเหมือนประทีปน้ํามันกำลังสว่างอยู่เปลวไฟมีเพียงใดแสงก็มีเพียงนั้นแสงมีเพียงใดเปลวไฟก็มีเพียงนั้นนิโรธมีอยู่เพียงใด พ่อชงเนือข้อว่าถ้าสติสัมโพชงของผมมีอยู่ดังนี้ก็มีอยู่เพียงนั้นพ่อชงในข้อว่าสติสัมโพชงของผมก็ชื่อว่าหาประมาณไม่ได้ดังนี้มีอยู่อย่างไรครื่อกิเลสทั้งหลายได้แก่กิเลสที่คลุ้มรุมจิตทั้งปวงเทวสังขารที่เกิดในภพใหม่มีประมาณนิโรชื่อว่าหาประมาณไม่ได้ เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะมีสภาวะเป็นอสังขตรธรรมนิโรบปรากฏเพียงใดโพ้ชงในข้อว่าสติสัมโพชงของผมก็ชื่อว่าหาประมาณไม่ได้ดังนี้ก็มีอยู่เพียงนั้นโพชงในข้อว่าสติสัมโพชงชื่อว่าผมปรารภเสมอดีแล้วนั้นดังนี้มีอยู่อย่างไรคือกิเลสทั้งหลายได้แก่ กิเลสที่กกลุ่มรุมจิต ท, ทั้งปวงเทวสังขารที่เกิดในภพใหม่ไม่เสมอนิโรธมีความเสมอเป็นธรรมดาเพราะมีสภาวะเป็นธรรมละเอียดเพราะมีสภาวะเป็นธรรมประณีตนิโรธปรากฏเพียงใดผู้ชงในข้อว่าสติจำผู้ชงชื่อว่าผมปรารบเสมอดีแล้วดังนี้ก็มีอยู่เพียงนั้นเมื่อผมกำลังเที่ยวไป ย่อมรู้ชัดสติสัมโพชงที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ถ้าสติสัมโพชงเคลื่อนไปก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชงของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้เป็นอย่างไรคือสติสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยอาการเท่าไรสติสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยอาการเท่าไรสติสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยอาการแปดอย่าง สติสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยอาการ8อย่างสติสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยอาการแดอย่างอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยการนึกถึงนิพพานที่ไม่มีความเกิด 2. สติสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยความไม่นึกถึงความเกิด 3. สติสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยการนึกถึงนิพพานที่ไม่มีความเป็นไป สสติสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงความเป็นไป 5. สติสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยการนึกถึงนิพพานที่ไม่มีนิมิต 6. สติสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงนิมิต 7. สติสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยการนึกถึงนิโรธ 8. สติสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงสังขาร สต right ิสัมผัสโฉงดำรงอยูสสส่ด้วยอาการแดอย่างนี้สติสัมผพสโฉงเคลื่อนไปด้วยอาการแปดอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมผัชงเคลื่อนไปด้วยการนึกถึงความเกิดสองสติสัมผพสโฉงเคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึงนิพพานที่ไม่มีความเกิดสามสติสัมผพสโฉงเคลื่อนไปด้วยการนึกถึงความเป็นไปสี่ สติสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึงนิพพานที่ไม่มีความเป็นไปหาสติสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยการนึกถึงนิมิตหกสติสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึงนิพพานที่ไม่มีนิมิตเจ็ดสติสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยการนึกถึงสังขารแปดสติสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึงนิโรธ สติสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยอาการแปดอย่างนี้เมื่อผมกำลังเที่ยวไปย่อมรู้ชัดสติสัมโพชงที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ถ้าสติสัมโพชงเคลื่อนไปก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชงของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้อย่างนี้แหลโพชงในข้อว่าถ้าอุเบกขาสัมโพชงของผมมีอยู่ดังนี้มีอยู่อย่างไร เคอนิโรบปรากฏเพียงใดโพ้ชงในข้อว่าถ้าอุเบกขาสัมโู้ชงของผมมีอยู่ดังนี้ก็มีอยู่เพียงนั้นเหมือนประทีปน้ํามันกําลังสว่างอยู่โพ้ชงในข้อว่าอุเบกขาสัมโูชชงของผมก็ชื่อว่าหาประมาณมิได้ดังนี้มีอยู่อย่างไรโพ้ชงในข้อว่าอุเบกขาสัมโูชชงชื่อว่า ผมปรารบเสมอดีแล้วดังนี้มีอยู่อย่างไรเมื่อผมกำลังเที่ยวไปย่อมรู้ชัดอุเบกขาสมโพชงที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ถ้าอุเบกขาสมโพชงเคลื่อนไปก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสมโพชงของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้เป็นอย่างไรอุเบกขาสมโพชงดำรงอยู่ด้วยอาการเท่าไรอุเบกขาสมโพชงเคลื่อนไปด้วยอาการเท่าไร อุเบกขาสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยอาการแดอย่างอุเบกขาสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยอาการแดอย่างอุเบกขาสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยอาการแดอย่างอะไรบ้างคือ 1. ่อุเบกขาสัมโพชงดำรงอยู่ด้วยการนึกถึงนิพานที่ไม่มีความเกิด 2. อุเบกขาสมโพชงดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงความเกิดส อุเบกขาสามพโอชงดำรงอยู่ด้วยการนึกถึงนิพพานที่ไม่มีความเป็นไป 4. อุเบกขาสามพโอชงดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงความเป็นไป 5. อุเบกขาสามพโอชงดำรงอยู่ด้วยการนึกถึงนิพพานที่ไม่มีนิมิต 6. อุเบกขาสามพโอชงดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงนิมิต 7. อุเบกขาสามพโอชงดำรงอยู่ด้วยการนึกถึงนิโรธ อุเบกขาสัมพ่อชงดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงสังขารอุเบกขาสัมพ่อชงดำรงอยู่ด้วยการแปดอย่างนี้อุเบกขาสัมพ่อชงเคลื่อนไปด้วยการแปดอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งอุเบกขาสัมพ่อชงเคลื่อนไปด้วยการนึกถึงความเกิดสองอุเบกขาสัมพ่อชงเคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึงนิพพานที่ไม่มีความเกิดสา อุเบกขาสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยการนึกถึงความเป็นไปสี่อุเบกขาสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึงนิพพานที่ไม่มีความเป็นไปหอุเบกขาสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยการนึกถึงนิมิต6อุเบกขาสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึงนิพพานที่ไม่มีนิมิตเจ็อุเบกขาสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยการนึกถึงสังขารแปด อุเบกขาสัมโพชง์เคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึงนิโรธอุเบกขาสัมโพชงเคลื่อนไปด้วยอาการแปดอย่างนี้เมื่อผมกําลังเที่ยวไปย่อมรู้ชัดอุเบกขาสัมโพชงที่ดํารงอยู่ว่าดํารงอยู่ถ้าอุเบกขาสัมโพชง์เคลื่อนไปก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชงของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้อย่างนี้แหลโพชังคาคถาจบ คถาว่าด้วยเมตตาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวถีภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลปฏิบัติแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารพบเสมอดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์สิบเอ็ดประการอานิสงส์สิบอ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่ง หลับเป็นสุขสองตื่นเป็นสุขสามไม่ฝันร้ายสี่เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายห้าเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายหกเทวดาทั้งหลายรักษา 7. ไฟยาพิษหรือศาสตรากล่มกลายไม่ได้แปดจิตตั้งมั่นเร็วเก้าีแน่สดใสสิไม่หลงหลืมสติตายสิเอ เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่งย่อมเข้าถึงพรหมโลกภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตตอันบุคคลปฏิบัติแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไวนหนึ่งเนื่งสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์สิบเอ็ดประการนี้เมตตาเจโตวิมุตตแผ่ไปโดยไม่เจาะจงก็มี เมตตาเจโตวิมุตต์ววแผ่ไปโดยเจาะจงก็มีเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปสู่ที่ทั้งหลายก็มีเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการเท่าไรเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการเท่าไรเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปสู่ที่ทั้งหลายด้วยอาการเท่าไรคือเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการห้าอย่าง เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการเจ็ดอย่างเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปสู่ที่ทั้งหลายด้วยอาการสิบอย่างเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดสองขอปานชาติทั้งปวง สขอพูดทั้งปวงสี่ขอบุคคลทั้งปวงห้าขอผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดเมตตาเจโตวิมุติแพร่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการห้าอย่างนี้เมตตาเจโตวิมุตแพร่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการเจ็ดอย่างอะไรบ้างเคยหนึ่ง ขอสตรีทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดสองขอบุรุษทั้งปวง 3. ขออระิยะชนทั้งปวง 4. ขออนาระยะชนทั้งปวง 5. ขอเทวดาทั้งปวง 6. ขอมนุษย์ทั้งปวง 7. ขอวินิปาติกตริย์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดเมตตาเจโตวิมุตต์แพ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการเจ็ดอย่างนี้เมตตาเจโตวิมุตต์แพร่ไปสู่ทิฏฐิทั้งหลายด้วยอาการสิบอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งขอสัตว์ทั้งปวงในทิฏปุรภาจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดสองขอสัตว์ทั้งปวงในทิศฐปัจฉิม สขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรสี่ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณห้าขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอังคเนหขอสัตว์ทั <active Status> ้งปวงในทิศพายัพเจขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานแปดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศโธรดีเก้าขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างสิขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดขอปานชาติทั้งปวงในทิศปุรภาผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวงสตรีทั้งปวงบุรุษทั้งปวงอริยชนทั้งปวงอนารยชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงหนึ่ง ขอวินิปาติกประสาททั้งปวงในทิศบิุรพาจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด 2. ขอวินิปาติกประสาททั hmm. ้งปวงในทิศปัจฉิม 3. ขอวินิปาติกประสาททั้งปวงในทิศฐิอุดรนสขอวินิปาติประสาททั้งปวงในทิศทักษิณห้ขอวินิปาติกประสาททั้งปวงในทิศอาคเน6 ขอวินิปาติกัตริย์ทั้งปวงในทิศพายัพเจขอวินิปาติกษัตรส์ทั้งปวงในทิศอีสาน 8. ขอวินิปาเตกัตส์ทั้งปวงในทิศทอรดี 9. ขอวินิปาติกษัติส์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างสิขอวินิปาติกัตส์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด เมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการสิบอย่างนี้หนึ่งอินทริยะวาระวาระว่าด้วยอินสีผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่สัตว์ทั้งปวงด้วยอาการแปดอย่างนี้คือหนึ่งด้วยเว้นความบีบคั้นไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งปวงสองด้วยเว้นการฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวงสด้วยเว้นการทำให้เดือดร้อน ไม่ทำสัตว์ทั้งปวงให้เดือดร้อนสี่ด้วยเว้นความย่ยมยีไม่ย่ยมเยี๋สัตว์ทั้งปวงห้าด้วยเว้นการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงหกขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรกันเจ็ดจงเป็นผู้มีสุขอย่ามีทุกข์แปดจงมีตนเป็นสุขอย่ามีตนเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเมตตา จิตคิดถึงธรรมนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเจโตจิตพ้นจากพยาบาทและกิเลสที่คลุ้มรุมจิตทั้งปวงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิมุตต์เมตตาด้วยเป็นเจโตวิมุตต์ด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเมตตาเจโตวิมุตต์ผู้เจริญเมตตาน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาว่าเขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอบประโมีสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสตินีผู้เจริญเมตตาประคองความเพียรว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยวิริยินีผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้มั่นว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสตินี ผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้มั่นว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสมาธินีผู้เจริญเมตตารู้ชัดด้วยปัญญาว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปัญญาอินีห้าประการนี้เป็นอาศวะนะการปฏิบัติ ขอเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมปฏิบัติเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการนี้เป็นภาวนาการเจริญของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการนี้เป็นพหุลีกรรมการทําให้มากของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมทําให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตต์ ด้วยอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการนี้เป็นอลังการเครื่องประดับของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมประดับเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการนี้เป็นบริขารของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมปรุงแต่งเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการนี้เป็นบริวารของเมตตาเจโตวิมุตต์ บุคคลย่อมห้อมล้อมเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการนี้เป็นอาศัยวนณะเป็นภาวนาเป็นพหูรีกรรมเป็นอลังการเป็นบริขารเป็นบริวารเป็นความเต็มรอบเป็นสหรคตไปร่วมกันในสหชาติเปิดร่วมกันเป็นความเกี่ยวข้องเป็นสัมปยุตตะประกอบกันเป็นความเล่นไป เป็นความผ่องใสเป็นความตั้งอยู่ดีเป็นความพ้นวิเศษเป็นความเห็นว่านี้ละเอียดของเมตาเ ต, ม ต, เมตาเจโตวิมุตตเมตตาเจโตวิมุตตที่บุคคลทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไวหง้หนึ่งเนืองสังสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วเจริญดีแล้วอธิษฐานดีแล้วดำเนินไปดีแล้วพ้นวิเศษแล้วย่อมยังเมตตานั้นให้เกิด ให้โช่ิช่วงให้สว่างสวัยอินทรียวาระจก